โรงทานสิทธวสังฆทานในเบื้องต้นโรงทานสีไทยใหม่ตั้งใจอยู่ยาวถ้าความเดือดร้อนยังมีก็จะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ผู้จัดการคือคุณกริซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่คุณธนันชัยให้มาเป็นผู้จัดการดูแลเห็นว่าโรงทานเราที่ตั้งอยู่ที่ถ้าอากาศยานภูเก็ตนี้ต่อมาทางทหารอากาศเริ่มย้ายไปอยู่ที่ระนอง และผู้ที่มาพักรอการเดินทางกลับออกไปต่างประเทศก็ไม่มีแล้วความต้องการการอนุเคราะห์ก็ลดลงอีกทั้งเมื่อออกไปสำรวจก็พบว่ามีโรงทานที่ทำในนามหลวงตามหาบัวหลวงปู่สังวานและพระอาจารย์สนองโดยลูกศิษย์วัดสังฆทานตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดย่านยาวหน่วยงานราชการต่างๆและจุดที่มีผู้ประสบภัยเดือดร้อนผู้คนจะมารับอาหารจากจุดนี้ไป ทางโรงทานสีไทยใหม่จึงกราบเรียนหลวงตาให้ทราบว่าความต้องการเริ่มลดลงแล้วโรงทานนี้จึงปิดตัวลงดูเหมือนว่าโรงทานสีไทยใหม่กลับเมื่อวันที่8มกราคม2548หลังจากที่โรงทานสีไทยใหม่กลับไปแล้วเราได้ไปพักที่โรงทานศิทธิวัังสถานเป็นโรงทานใหญ่รองรับต่อจากโรงทานสีไทยใหม่ที่กลับไปแล้วเราไปกางเต็นที่นั่น ส่วนใหญ่แล้วพวกที่ทำโรงทานจะกางเต็นท์นอนกันแถวนั้นอย่าไปพูดถึงเลยว่าจะนอนกันตรงไหนอย่างไรเอาแค่ว่ามีที่กางเต็นท์ได้ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเรารู้อยู่ว่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ประสบภัยขณะนั้นมันสาหัสกว่าความยากลำบากที่เราต้องพบมากมายนะัก